you uh -huh. ชื่กันทางกายเชื่อกันทางจิตใจดึงเงินไปพากกันไปให้ใจดิงกายอย่าให้กายดิงใจตายมันไปไม่ถึงไหนไปถึงเชิงตะกอนคือน้องเราก็ไปแท้ถึงเชิงตะกอนทรัพย์สินเงินทองเข้าไปถึงแค่เชิงสะกอนนำกันไปเอารถเอาลาเขียนกันไป แต่ใจนี่นำไปไกลกว่านั้นให้ความสำคัญเรื่องใจด้วยจึงดึงกันเรื่องนี้ให้มากๆเราก็ดึงตัวเให้มากเอาให้ความสำคัญต่อใจมากที่สุดอะไรที่เกิดขึ้นกับใจนั้นอย่าปล่อยปละละเลยให้ดูมันให้ดีๆมีสติสัมปชัญญะคอยตรวจสอบคอยดูแล สตินี่แหละจะเป็นผู้ที่สอนใจสตินี่แหละจะเป็นผู้ที่ชี้แจงให้ใจมีทิศมีทางไปอย่าปล่อยให้ไปตามลำพังของจิตใจมันสุขสนจิใจมันสุขสนมันเอาทุกอย่างยวมโลภความโกรธความหลงความลึกความฉังของเก่าความุกความทุกข์บนเก่าเอาทุกอย่างบ้าหอบฟังใจนี่ เราต้องเลือกจัดสรรให้ตรวจสอบให้ดีๆมันจึงจะถูกต้องเหมือนรัฐบาลฝ่ายคาดฝ่ายคาดเป็ผู้ตรวจสอบถ้าปล่อยรัฐบาลหมอมากลากไปก็เก็บหายกว่าวจึงตรวจสอบในชีวิตเราเดียวกันป่าเถื่อนก็มีเป็นธรรมก็มีไม่เป็นธรรมก็มีมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยแหละ ทว่าเจ้าจังว่า ย, ายัยจิตตังสันเนเมจันติโมกขันติมาละพันธนังจงระวังจิตเมื่อใดระวังจิตเมื่อนั่นจากพน้นจากวงแห่งนานมานเกิดทื่นที่จิตเมื่อมานเกิดทื่นที่จิตจิตเลวไร่ร่างกายก็เหลวไา่ไปด้วยถ้าจิตมันดีมันก็ดึงกันไปได้จึงอจิตเป็นหัวหน้าสําเร็จอยู่เพราะจิตใจเนี่ย ลรายังมีอะไรหลายล้อยอย่างเพื่อดึงจิตของเราแม้แตเราสวดเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าตอนเย็นจงดึงจิตให้สิตใส่ใจตามไหว้ชัดเกณฑตั้งใจว่าตั้งใจบอกตัวเองแต่พระปาป่าส ะ, ะการนางอานไ่าทั้งบาปทั้งขวงมันสมน้ำนาจอย่าว่าลอยๆกูสลจสูปสัมบัเาอ่านน้ำกูสนให้ถึงพร้อม ก็ให้มันชัดชัดแต่ไม่เดะปะปาปะจักรนังกลชะลาโจวซาบะาจายดมันลอยลยไหวมีอะไรเลยมันไหลเราจึงเอาประโยชน์จากการสวดเนี่ยให้มันจริงอย่างลงไปให้มันชัดเจนทําอะไรมันชัดเจนเจ็บตกให้ได้การเจ็บตกมันดีนะเงินหมื่นเงินแสนมันเกิดจากเงินบาทเดียวเจ็บตกไปเจ็บตกไป การใช้เงินบาทเดียวมันต้องหัมากกว่าใช้เงินร้อยเงินแสนการใช้เงินพันเงินร้อยเงินแสนมันระวัดระวังอยู่แล้วการใช้เงินบาทนี่ไม่ค่อยระมัดระวังนะมันจะมีร้อยมีแสนได้ก็เพราะมีเงินบาทเดียวความคิดจิตใจที่มันจะมีมักผลที่ผ่านได้มันต้องมีบาทหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้สึกตัวไปครับอะไรก็ตามการพดจาภาษสายความคิดในตาหูจมูกเงกาใจท่องหัด ถ้าไม่หัดมันก็ไม่เป็นนะเราต้องหัดเสียก่อนหัดเต้นไปทางเสียก่อนให้ถูกทางเสียก่อนเหมือนเราหัดวัวหัดควายเตรียมข้าเตรียมไถเห็นว่าเทียมเกลียนว่ามันเป็นแล้วไปถูกทางเมื่อมันเป็นแล้วไม่ต้องไปหัดมันมันไปของมันเองตาควายล่อตาแพะเนี่ยเอาไปถูกเข้าที่ท้องหน่ามันมาเองมาหายู่หาฉางเอไม่ต้องไปขี่มัน เราตาเห็นประเทศพมา่าคนหนึ่งมีเปียน์สิบคันยี่สิบคันก็ไม่ถูกอ้อยเข้าโรงงานหมาไม่มีรถเหมือนบ้านเราคนหนึ่งขี่เกียนเรื่องเดียวไปนั่งข้างหน้าบ้างนั่งข้างหลังบ้างยืนอยู่บอยโอยลอยลยหัวหัวแล้วก็ไปของมันไปไม่ต้องไปขับมันเวลาไปถึงโรงงาน้ตามกระตีโค้งจอดเป็นวงกลมละแล้วก็ไม่ถอด แอ่แกะคอไนเอายอดด้อยวางให้มันกินเต้าหน้าน่ะมันก็เจนอยู่ๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ไม่นีไปน่ะเพราะมันหัดเป็นแล้วมันไม่พยศสัตว์เดรัจฉานมันหัดได้คนเราเนี่ยิ่งไปเจอกว่านั้นถ้ามันเห็นทางแหรอเห็นยังไงมันหลงไม่ใช่ทางมันรู้มันเป็นทางแล้วอันทุกไม่ใช่ทางอันไม่ทุกข์งเป็นทางแล้ว มันรู้อย่างนี้มันหัดจ่ากนี้มันเห็นอย่างนี้อะไรผิดมันไม่เอาถ้าไม่หัดมันเอาทั้งความผิดก็เอาความทุกข์ก็เอายิ่งเอาดีความทุกข์ความผิดใสยใจใส่ใจเยันทำความผิดสำเร็จแต่ความถูกต้องเนะ่ะมันก็ใส่ใจเท่าไหร่จึงมีวิธีหัดแบบนี้แหละเพราะนั่นมันจึงเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุด จิตของคนเนี่ยฟังรูก็น่ากลัวหรกคนระับอบนเนี่ยมันโปนเปกันไปหมดเลยอะไรต้องอยู Mond ่ในคนทั้งหมดชั่วดีอะไรต่างๆดุร้ายก้าวเล่าโตโสโบโหจนเมรัฐธรรมนูนมีตัวบทคฎหมายมีคุกตลางเป็นตัวดทหารมีวัชเมือใส่กุญแจไว้ตีโลกตีดวนไว้ไปอยู่คุกตลางน่ะสมัยหนึ่งหลวงตาเคยไปอบรมนักโทษ เที่ยวเขาลงเเที่ยวเขาคุกตลาดน่ยบ่อยๆเขาโซ่ใส่ขาหวาโซ่มันเท่าแขนน่นแล้วก็พ้าขามัดตรงกลางโซ่แล้วเอามาข้องบา่าข้องขอเดินมา้ข้องขอหลังขดหลังกลงไปน่ะโอ้ยคนลงาเป็นไรดอกแอ่แที่อย่านันโนุกวันหนูวินไปไห้ก็ได้มล้ไม่เปไหนเนพราะอะไรละ่ะพราะคนมันปนไป มันจึงมีอย่างนั้นบางคนเนี่ยเขาไปเอากรงเหล็กขังไว้ข้างแดดเตะคนจรีตขังไว้ไม่มีล um. ้มนั่งไหลจดจดจดจอยู่แล้วแดดกรงนั่นก็ไม่ใช่นั Car ่งได้เหมือนเราต้องทําหัวขดขดลงมันดัืต่อมต่อไปได้มันขดขดลงดอมลงไว้แล <Honors S 1> ้วขังไม่ตรงได้บางคนก็ขังให้จนตายเลยเขาหาว่า <rem ody> <graphic> โลกอ่ะห้อยใจวายมานทุลงานอะไนะคนเรามันปานนั่นนะถ้าเราไม่หัดนะ่ะถนอนอยู่บ้านมันไปหนึ่งไหนใจเป็นโจรเป็นโล่าก็ไมมันเป็นอะไรเป็นเทวดา น, น้อยที่สุดเป็นพระน้อยที่สุดเพราะการไปทางต่ามันไหลไปง่ายจิตใจของคนเราเนี่ยมันน้ำไหลจ า, ากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจิตใจของคนที่ไม่เคยฝึกนะคำว่าคนเนี่ไปทางต่ำ ไปทางต่ำคนเนี่ยถ้าคราวใดที่ใจเราไปทางต่ําหรือว่าเราเป็นคนแล้วเล่าบังให้ดีมันตกนรกมันเป็นเปรตเป็นจุลกาศเป็นเดราจฉานเพราะใจไปทางต่ําอะไรพาไปเป็นเปรตเป็นจุลกาศเป็นเดรัจฉานเพราะใจนี่แหละมันไหลไปทางต่ำต่ำไหลพาให้เป็นพระก็เพราะใจแหละไหลไปทางสูงไปทำความร้ายเป็นความดี มันหลงที่ใดเปลี่ยนมันจะรู้มันทุกที่ใดเปลี่ยนมันจะรู้ไปทางสูงนี่กํลาลังเป็นมนุษย์มนุษย์เราก็เป็นเทวดาได้เป็นพระได้เป็นภูมได้ถึงมากถึงผลได้ถ้าเราไม่หัดอ่ะมันก็ไปไม่ได้นะไม่ใช่เกิดมาขาสองแขนสองจะไปสวรรค์นิพพานเลยไม่ได้เลยต้องมหัดอย่างเนี้ยจึงมีศาสสนามีคําสอนมีคําสั่งมีคําสอนแล้วก็มีการกระทําด้วยทําอย่างนี้ มันเป็นแบบฉบับม า, าตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ก่อนคนเราเป็นค้นป่าเถื่อนอาศัยอยู่ตามสมถุงคูไม่บ้างเช่นลี้งข้างบ้างไม่มีอะไรเป็นสาระเฉีนสารเราจึงมีเส้นมีธรรมเพราะมีศาสนาเกิดขึ้นมาศาสนาเป็นคู่กับกายเไป็นคู่กับจิตใจปฏิเสธไม่ได้ใครปฏิเสธศาสนาเรียกว่าปฏเาาิฏเสธกายปฏเยิเสธใจตัวเอง กายต้องมีระเบียบของกายพระเจ้าจัดบรักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมทั้งหลายวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดคําำหยาบไปพูดส่อเสียดไม่พูดเด พ, ดพ้อเจอ้อใจก็ไม่ทิฏประทุดชะไลาเขาไม้ไปบาดปองไร้เขาเห็นผิดจากคำนองของดำอมีแบบของเขากายก็มีแบบวาจามีแบบใจก็มีแบบเที่งอยู่ด้วยกันได้ถ้ากายวาจาใจไม่มีแบบเราก็อยู่ด้วยกันลําบากแม่บ้านเราถ้าเกิดเป็นโจนรวุ่นวายสักคนหนึ่งเราก็อยู่ลําบาก ถ้าเราไม่สำรวมของตัวเราเราอยู่เดียกันอยที่ความยากลำบากไม่เหมือนนกไม่เหมือนสัตว์มันโลภมากมันก็ทำคนอื่นเดือดอร้อนได้เช่นเขาข้าวมาแจกเรานั่งอยู่นี่สิบชีวิตอย่างนี้เขาข้าวมาให้เราคนละจานละชามแต่คนหนึ่งโลกไปซะเราเลยไม่ได้กินข้าวมันก็ทําให้เดือดร้อนนั่นแหละเพราะเราจึงมี ขอบเขตของกายของวิจาของใจล้อมมาไว้นี่เรียกว่าศาสนาถ้าใครไม่มีขอบเขตเขาไม่อยู่ด้วยเขาไปจับไปขังไว้แต่คงเทธิ์นั่นเป็นอย่างนั้นมันโดล้ายมีใจอย่างเดียวพอเพียงแล้วอย่าไปเรียกร้องอะไรทำความดีนย่ยไม่มีเงินสักบาทไม่มีบ้านสักหลงังไม่มีอะไรก็ตามขอให้มีใจอย่ามหาธรรมการทีเนี่ย นุ่งผ้าเตี่ยวหัวเดียวจึงเป็นมหาบุรุษได้ตามประเทศอินเดียไปอยู่ที่ไหนตามทางรถไฟลงบ้านมีหมาตะมะขันทียืนนุ่งผ้าเตี่ยวอยู่อยู่ในที่สานณะทั่วๆไปคนยกเบอร์ไวหวไมมีสมบัติอะไรลงรถไฟพอลงรถไฟเก็บขยะเดินไปไหนเก็บขยะไปตามนั้นมหาบุรุษไม่ต้องใส่ สูตรใจนักทาอะไรต่างๆอไปได้ถ้าใจมียายาไปง้อเลยๆ เ, เราไม่ใหญ่แล้วพอแล้วมันก็มีกันทุกคนใจนะไม่ทุกคนแล้วปเสิฐแล้วเอาไปใช้แล้วความชั่วใจเอาไปทำความดีใจมันดีตรงนี้เป็นใหญ่ในเรื่องนี้ถ้าไปทําความชั่วไม่ไประเสริฐเลวร้วายไปแล้วมันอยู่ที่ใจ เกิดที่ใจอะไรก็ตามเกิดที่ใจสุขเกิดอยู่ที่ใจทุกข์เกิดอยู่ที่ใจให้ใจดึงไปเถอะถ้าใจดึงไปแล้วแม่กายมันจะเป็นทุกข์มันก็ดึงกันไปได้ไม่เป็นใหญ่ได้ทุกข์ของกายใจมันใหญ่กว่าแม่กายจะตายใจมันใหญ่กว่าตายดิจึงเหนือการเกิดะจจะตายฝึกใจนะ่ะอันเราจะไปฝึกอะไรมีอะไรเรา ออามาอวดบ้างกันนะมีลูกมีเมียมีสามีพัญญามีทรัพย์เจนสะดึงการเหลอมันไม่ใช่ต้องม่ใจเนี่ยเอาไว้ก่เอเถอะใจด่างบางทีเอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นการข้องติดก็ได้ถ้าไม่เสื้อผูกคอปอผุกศอกปกสุบเท่าสุบตินได้มีมีไม่เป็นเป็นเป็ น, ปนไปถูกมันก็ยิ่งพระลงพหลังไป ถ้าเรามีให้เป็นเนี่ยเป็นให้ถูกมันก็สะดวกเอมีอย่างนั้นมาทําความสะดวกอย่าเอามาผูกมัดรัดเรื่งตัวเรามีได้เอาใส่จริงมีหรือมาสร้างความสะดวกให้เกิดการมารู้ธรรมถ้าเราจรงอ่ะเพื่อนอย่าอ้างว่าแก่อย่าอ้างว่าเท่าอย่าอ้างว่าหนุ่มอย่าอ้างว่าเจ็บป่วยไม่มีเลยใจเนี่ยถ้าเรามาดูจริงๆความเจ็บความปวดความป่วย ความเกิดความเจ็บความตายไม่มีในใจิตใจมันเป็นเรื่องของกายต่างหากปานนั่นนะใจเราเนะี่ยเราในะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วห่อทั่วอยู่ในกำมือของเราไม่พลงพลังเลยใจเนะี่ยบันทึกเอาบันทึกเอาความดีแล้วความชั่วเอาใจเนะี่ยทำง่าไม่หนักทำความดีก็ไม่หนักแล้วความชั่วก็ไม่ยากอะไร ไม่เหมือนกับเราล่ยุงยุงมันเป็นวัตถุเป็นนกใจว่านใจเนี่ยถ้าจะเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนโทรศัพท์เครื่องเล็กๆบรรจุข้อมูลได้บันทึกชื่อของคนได้ตั้งห้าพันชื่อหกพันชื่อเป็นหมื่นชื่อเก็ไม่หนักอะไรใจมันไปเสดกว่านั้นมองไปทางไหนมีแต่บุญกุศลความดีไม่ล้นไม่เหลือไม่อิ่มด้วยความดี ทำลงไปนอนอยู่ก็ทําความดีได้นั่งอยู่ก็ทําความดีได้เดินอยู่ก็ทําความดีได้นอนเจ็บไข้เด็ป่วยอยู่ก็ทําความดีได้ไม่จนเลยใจไม่มีทางจนเรื่องของกายอาจจะจนหน่อยให้ไม่เข้าใจกับใจนี่ไม่จนน่ะอย่ามาอยู่กับกายจนหมดเครื่องหมดตัวบางทีชีวิตของเราเนี่ยฝากไว้กับตายอย่างเดียวตกแต่งเอาใจใส่คอยดูเมื่อกายเป็นไรใจก็คอยทูกข์คอยเดือดร้อนไว้ ทุกแม่ก็ทำได้เหมือนเดิมเท่าถ้ามั ว, ม ว, มวเมากันไปถ้าเราไม่ฝึกขัดจิตใจแล้วมีแต่ทุกข์ทนานั้นคนเรานี่ยมีแต่ทุกข์ทนนั่งอยู่มีแต่ทุกข์ทนั้นเกิดไปเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ทนั้นดับไปด้วยไม่เป็นของทุกข์ที่สุดถ้าเราเกิดมาไม่ไมีธรรมะแล้วไม่ฝึกตนแล้วโตกนันโลกกันมากเท่ากับนขนโขไปที่พานเท่ากับโขโขอจริงๆ เร่องนี้เพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยวางดูก็น่ากลัวเรกคนเรามาตั้งฐานะจากคนมาคนมาเป็นมนุษย์มาเป็นพระสร้างขึ้นไปสูงขึ้นไปจุดจุดไม้ใบต่างความปรารถนาที่งามจองสําเร็จคือมรรคผลให้ผ่านไปโน่นจุดไม้ใบต่างของเราเพราะเราประมาทไม่ได้นะมีเพิ่มแล้ว ใช่สิทธิที่ได้ชีวิตมาแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมมตกันศึกษาเลยไม่ใช่เราอยู่คนเดียวใครอ้เหมือนกันเรามเกืเหมือนกับเราหมดอบุคลาโลก็เหมือนกับเราหมดไม่มองอะไรเป็นลักษณะมาณนะสัมคัญมันหมายว่าเราเรวกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราดีกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราไม่มีอะไรสัมเงาธาตสามัญลักษณะเหมือนกันหมด เราจะมาทำความดีนเนี่ยมีสิทธิทำได้เราหลงเรามีสิทธิไม่หลงเราโกธเรามีสิทธิจะไปโกธเราทุกข์เรามีสิทธิไ ม, ทมทธไม่ทุกข์ตอเ น, นี้เราก็ช่วยกันไปเราอยู่ได้สะดวกเพราะเราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนกันเราก็อยู่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยเราก็ช่วยกันได้ถ้าเราไม่น้ำใจถ้าไม่มีน้ำใจมันก็ ไม่แต่ช่วยแต่เาช่วยไม่ตด้มีเมันกันลูกโตไม่ดูแลพ่อแม่เวลาแม่ป่วยตายไม่หามเลยสาวพ่อก็เห็นอ่ะวางใกล้กันตายยามแม่แม่ตาไม่ไปหามเลยเจ้ตรงพ่อต้องไปหามเรียกไปหามก็ไม่ไปป้าโตมันหมาเลยเงนว่ามาหมามันยังเอาขาขาบแก่กันไปลงหลงหลุมเป็นแล้วลงน้ำจืดไปมาหมาเา กันไปฝังกันไอ้แก่ไปเราลากไปเราก็พวดพวดเอาเท่ามันก็ว่าเราก็ดึงกันลงหลุงแล้วก็ฝังกันไอนน้คนเนี่ยแม่ตัวเองก็ยังไม่รู้จักรับผิดชอบเลยมันขณะนั้นคนเรามันล้ายขนาดนั้นพ่อพข้าแม่ก็ได้ข้าตัวเองก็ได้เราจึงตา ม, มาตัดไปได้อเอาใจเ ด, ด้งไปก่อนดึงไปก่อนดึงกายไปก่อน เมื <sh> ่อใจดึงไปได้ก็ดึงอไปได้แต่กุตะเืวไปหมดเลยอะไรเขาทเปิดความดีขึ้นจากใจของเราเยอะแยะไปเลยอ่างสารังนี้อะไรดึงมาเป็นสารันี้เขาใจนั่นแหละดึงมาพี่กายมาดูตรงนี้เป็นป่ากบป่าอะไรแต่เ็นไปหมดเลยใจเขาดึงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสาลันี้ขึ้นมาใจมันขระนั้นภาษาอะไรสั้นดึงไปมักผลนิพพานก็ได้ ฮะท่านเราเนี่ยใช่เจตีก่อนใหญมากที่สุดใช่เขาตื่นรุ่นในเรื่องนี้กัน